เอามันเน่อยกำลังร่างกายอ่อนเพลียอ่อนเพลียมากทุกวันนี้อ่อนลงทุกวันตัว้องจะไม่เอาไหนแล้วแต่ด้วยกําลังใจนะที่ไปช่วยโลกไปด้วยกําลังใจร่างกายไม่ ไ, มไหวแล้วไปด้วยกําลังใจเท่านั้นนะอาหน้าของใจคลองลางไปได้ นีพระเน้นเท่าไหร่เนี่ยอยู่ที่นี่ที่จะจําบรรษาที่นี่วัดนี้พระเท่าไรเน้นเท่าไหรเฮ้ยพระสีเนเน่สิบห้าเน้นหนึ่งเป็นสี่สิหกนู่นน่ะไม่ใช่เล่นๆนะมันแน่นทุกปีทุกปีผมยิ่งแก่เข้ามาหมากมากนะยิ่งให้แบบภาระอย่าให้มีเรื่องมีราวอะไรเกิดขึ้นนั้นในวัดนี้ พระพุทธเจ้าไม่มีนะคําว่าชาติชั้นวรณะไม่มีภาคนั้นภาคนี้เหล่านั้นเหล่านี้กกนั้นกกนี้ไม่มีในธรรมในวินัยในพระในเนร <c oughs> อย่านํามาใช้เป็นอคติผิดผิดองศ์ศาสดาผิดศาสนาผิด ธ, ธรรมผิดวินัยทุกอย่างอย่านํามาใชา้ลูกศิษฐาโคตเป็นศากะยะบุตรเหมือนกันหมด ไม่ได้มีใครยิ่งขย่อนกับใครนอกจากใครจะสามารถทำตัวให้บริสุทธิ์ปุดผ่องด้วยศีลด้วยธรรมเข้าไปเป็นลำดับเท่านั้นอย่างอื่นเยามาอวดมาอ้างกันนะเรื่องชาติชั้นวันนะฐานะสูงต่ำความรู้วิชาแบบโลกโลกแบบที่เด็ดตันหาแบบขี่มูลาขี่หมาแห้งเยามาผสมทำซึ่งเป็นธรรมชาติที่สะอาดเลิศโลกเลิศสงสารลว้ลวน อย่าเอาสิ่งเหล่านี้เข้ามาเจือปนสิ่งเหล่าน้น เ, เข้ามาครูเข้ากับธรรมที่สะอาด จ, จะกลายเป็นาศาสนาโสกปรก <c oughs> พระเนนโสกปรกไปตามดูไม่ได้นะการถือกบถือเหล่าถือพวกถือพ้องถือชาติชั้นวันนะถือภาคนั่นภาคนี้ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินยัยอย่านำเข้ามาแปดเปื้อนหลักธรรมหลักวินยัยอย่าเข้ามาแปดเปื้อนในวัดในวาเป็นอันขาดนะ เรื่องวันนี้เป็นสิ่งทำลายทั้งนั้นไม่ใช่สิของดีอืมนี่คือความทำลายพัะธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมสมัครสมานนะรวมเข้าเป็นความดีอันเดียวกันนี่ละธรรมของพระพุทธเจ้าจึงไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องนอกจากคำ ว, ว่าสาขยบุตรคาเดียวท่านั้นครอบไปหมดแล้ว <c oughs> แล้วเวลานี้เป็นเวลาเข้าปรรษาถือเขตแดนคือกำแพงวัดนี้เป็นเขตของวัดนี้เป็นเขตจําปรรษาต่างคนก็ต่างรูก้กันแล้วให้ต่างหน้าต่างตาจำหน้าที่การงานคือการชําระกิเลสด้วยจิจตภาวนาล้วนๆอย่าให้มีจิจงานการใดเข้ามายุ่งเหยิงวุ่นวายซึ่งไม่ใช่ทางของศาสดาผู้พาดําเนินเพื่อชําระกิเลสจิ่งอนั้นเป็น เรื่องของกิเลสละมากต่อว่ามันมักเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นแสงเข้ามาแทรกเข้ามาสวมรอยเข้ามาในวัดในวานในพระในเนนเวลานี้วัดเราจะจนจะไม่มีอะไรเหลือแล้วนะศาสนาจะไม่มีเหลือแล้ววีตกิเลสเข้าทําลายตีก็แตกก็จัดกระจายไปหมดเรายังไม่ทราบอยู่หรือว่าพวกเราเป็นพระนี่คือพวกทําลายศาสนาเนียกว่าเป็นอันดับหนึ่งก็ได้ไม่ผิด เวลานี้กำลังเป็นสมัยพระทำลายศาสนาเป็นอันดับหนึ่งในบริษัทของพระพุทธเจ้าเรายังภูมิใจอยู่หรือว่าพวกเราเป็นพระเป็นเนการทำลายศาสนาทำลายอยู่ทุกกิริยาตั้งแต่ภายในใจคิดออกมากิริยามายาการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นฆ่าสิบต่อศาสนาต่อธรรมต่อวินัยพวกเรายังไม่ทราบอยู่เลยสิ่งใดที่เป็นภัยของ ในศาสนาสิ่งนั่นกวนมาเผาคนั่นกวนมาเผานี่เป็นเรื่องการทำลายหรือการส่งเสริมศาสนาให้พรกันพิจารณาด้วยดียาเป็นพระหน้าด้านหน้ามืนในวงศาสนาของมือเจ้าซึ่งเป็นศาสนาองค์เอกขเข้ากันไม่ได้เลยกับกิริยามายาของพระคองเนรเราที่ทำอย่างที่ว่านี้ให้รู้สึงเนื้อสุกตัวทุกคนทุกองค์นะ <c oughs> เห็ น, นี่ล้มเหลวไปหมดแล้วนะผ้าเหลืองๆคุมหัวล้นๆนี่ล่ะที่ใครก็ไม่อาจแตะต้องกลัวบาปกลัวกรรมเพราะเห็นผ้าเหลืองที่เป็นเครื่องครองของพระพุทธเจ้าทุกทุกองค์และสาวกทุกทุกองเรื่อยมาใครจึงไม่อาจเอื่อมแตะต้องแล้วพระเลวเมื่อเราเมื่อได้ครองผ้าเหลืองเขามากก็เข้ามาแล้วหยิ่งว่าตัวเป็นพระทุกสิ่งทุกอย่างทําไม่มีการไม่มียางอาย ใครแตะต้องไม่ได้ผิดผีตัวใหญ่ของพระถ้าเรานี้มีทิฐิมานะมากยิ่งกว่าใครนะอยู่ลึกๆนะบวชเข้ามาชําระกิเลสสะสมกิเลสมันกาย ก, ายก็บวชเข้ามาสั่งสมกิเลสมากขึ้นมากขึ้นมาสั่งสมทิสุขจริงทุกอย่างขึ้นชื่อว่าเป็นข้าสึกแล้วนําเข้ามานําเข้ามาเวลานี้ศาสนาจะไม่มีเหลือ คำพีโบรานก็มีแต่ชื่อศาสนาก็มีแต่ชื่อตามคำภีรโบราณในพระในเรียนของเราผู้ปฏิบัติศาสนานี้จะไม่มีเรียนมาเพื่อความจำจำมากน้อยเป็นเครื่องมือของกิเลสไปหมดเวลานี้ศาสนากําลังเป็นฐานเหยียบย่ําของกิเลสเรียนศาสนานั่นแหละแต่ทํางานไปเป็นเพื่อกิเลสทั้งหมด ดูเอาซี่ทุกวันเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างแทะเข้ามาหมดนะไม่มีอะไรเหลือเราศาสนาดูแล้วเราสรุปสองเวทเรารู้ตจำหลักความจริงของธรรมของวินัยแล้วไม่รู้พวกความยกโทษยกกรใครทั้งนั้นเป็นอย่างนั้นเวลานี้นี่เรศาสนาเสื่อมเสื่อมไปอย่างนี้หละเห็นต่อหน้าต่อตานี่พระเนรบวชมาเท่าไหรมากเท่าไร่ไรยิ่งพากันทําลายศาสนาให้แหลกเหลวลงไปด้วยความประพฤติขัด เกียบย่ำศีลธรรมของพระพุทธเจ้านี้เรียกว่าการทำลายศาสนาและการส่งเสริมศาสนาต่างคนต่างรักษามารยาท ต, ต่างคำลนนต่างชำละจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วให้ส ง, งสัยจงกระทั่งถึงความบริสุทธิ์มีจิตภาวนาเป็นงานของพระเป็นพื้นฐานของพระนี่เรียกว่าพระสากขยบุตรลูกศิตตถาคตเป็นอย่างนั้ น, นแนวทางเดินของพระพุทธเจ้าเดินอย่างนี้เวลานี้มันสวนทางกันแล้ว กิเลสพาเดินสวนทางเหยียบหัวพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไปหมดแล้วเวลานี้ในเพศพระเพศเนรของเราเนี่ยนี่ละตัวทำลายให้ดูตัวหัวใจเจ้าของอย่าไปดูต้้มอีคนอื่นคนใดนะให้ดูหัวใจของเจ้าของผู้มา บ, บวชมาเพื่อชำระศาสนาดูใครไม่ไม่ถูกดูเจ้าของถูกต้องความผิดทุกมีอยู่กับทุกคนขึ้นชื่อว่ามีกิเลสแล้วมีด้วยกันทุกคนให้ดูหัวใจเจ้าของนี่เป็นของสาคัญ มันเป็นค่าสืบยึดที่ตรงไหนแก้มบนที่ตรงนั้นความคิดไม่มีความคิดไม่พอใจกับสิ่งใดคือความไม่พอใจนั่นแหลมันเป็นค่าสืบต่อหัวใจของตงนแล้วเป็นอันดับหนึ่งแล้วค่อยสากระจายออกไปกิริยาภายนอกให้คนอื่นได้เห็นให้คนอื่นได้ยินเจ้าของเป็นแล้วภ า, ายในจิตใจเผาเจ้าของไปแล้วภ า, ายในจิตใจพากันรละมัดระวังให้มากให้ตั้งหน้าตั้งตาของความความความภาคเพียรอย่าสนใจกับสิ่งใด ประชาชนย่าโยมเข้ามามากน้อยเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราใครจะมาย่อมย่ามที่สโลงสล า, านี้ที่ไม่มีกิจการงานที่จําเป็นมี่เคยประกาศลั่นมานานตั้งแต่สร้างวัดป่าวันตาดมาได้นําปฏิบัติมาจากตํำรับตําราด้วยมาจากครูบาอาจารย์ด้วยมาสั่งสอนหมู่เพื่อนจึงไม่สงสัยว่าจะผิดเพี้ยนไปที่ตรงไหนการดํานเนินศาสนาท่านดำเนินมาอย่างนั้น เราไปดําเนินตามตํำรับตำลาดําเนินตามหลักธรรมหลักวินยัยเราจะดําเนินยังไงเมื่อกา ร, การดําเนินตามศาสนาต้องเป็นอย่างนั้นวันนี้ไม่เคยมีให้การให้งานอะไรเข้ามายุ่งเหยิงวุ่นวายแต่ไหนแต่ไรมาแม้เช่นั้นมันก็ยังย่อมยากมาจนได้นั่นแหละกิเลสแทกเข้ามาจนได้ยิ่งมีผู้คนผ้านเนินเข้ามาเกี่ยวข้องมากเขาเท่าไหร่แล้วก็ยิง่งแทะเข้ามาแทะเข้ามาเหยียบย่บยําทําลายกลายเป็น ลงสั่งสมกิเลสไปโดยไม่รู้สึกตัวภายในวัดนี่แหละแล้วสุดท้ายก็ภายในพระในเนรภายในกับทุกคนไปละหม <c oughs> าแล้ว <c oughs> อยาให้มีงานใดเข้ามาเกี่ยวข้องนะ มีแต่งานจิดตภาวนาอย่างเดียวรู้หัวใจเจ้าของเั้เนเอเวลานี้พระกรรมฐ า, านเราไม่ได้อยู่หัวใจนะเออมันคึกมันขนองมันเป็นทุกแบบทุกฉบับนี่แหละขึ้นชั่วขี้เล็กแล้วจะแสดงขึ้นมาตลอดเวลานี่แหละที่น่าสรุปสังเวชนะนี่ไม่ได้คุ้นกับอะไรเพราะฉะนั้นจึงได้สนุกทราบพูดแบบโลกโลก็ลเรียกว่าสนุกดูทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความเป็นอิสระด้วยความเป็นธรรมภายใน จ, ใจิตใจไม่มีอะไรเข้ามาแยมได้เลยละ่ะ เป็นทําล้วนภายในจิตใจยิงได้ดูโลกสงสารเต็มสติกําลังความสามารถมานี้โดยลําดับลําดาดูอย่างไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับสิ่งใดเลยดูสภาพของโลกเป็นยังไงมันเกี่ยวข้องกับการแนะนําสั่งสอนก็ดูเพื่อแนะนําสั่งสอนพอจะแนะนําสั่งสอนได้มากน้อยเพียงไรก็สั่งสอนไปตามกําลังของผู้ที่จะรับได้มากน้อย ตั้งแต่วันนี้ต่อไปแล้วก็พรรษาเอบินธบาตก็รับนอกบาทรับนอกบริเวณวัดดังที่ประกาศให้ทราบทุกปีมาม <c oughs> ีวันนี้ประชาชนก็อย่างที่เห็นนั่นแหละจะทำยังไงมันเป็นมาเองเราเชื่อเชิญเข้ามามันเป็นเองมันมากต่อมาตลอดเวลาวัดนี้เลยไม่มีว่างสล า, าหลังนี่ไม่ว่างจากคนเลยแม้ที่สุดเราจะออกมาสล า, าก็ออกมาไม่ได้ ถูกกักถูกขังอยู่ภายในกุฏิออกแค่นั้นก็เข้าไปเดินจงกรมบางทีก็ย่ำย่ามเข้าไปยุ่งเราจนไดนนน้นั่นนี่แหละเรื่องของคนมากเป็นอย่างนี้ให้ตา้งองค์ตั้งตั้งอกตั้งใจผมเหนื่อยมากเพียงเท่านี้ก็เหนื่อยแล้ววันนี้ไม่พูดอะไรมากนะแล้วยังมีข้อค้องใจตรงไหนอีกพูดเรื่องการจำมรนสาก็เคยพูดมาม า, มากต่อมากแล้วให้ตั้งหน้าตั้งตาทําความปาคเพียนชํารากิเลส เอาจิตให้อย่างน้อยให้มีความสงบเย็นได้เพศของข้านเราหาความสงบในทางสมาธิไม่ได้แล้วไม่มีความหมายอะไรเลยนะเพศพระกรรมาฐานเราเฉพาะอย่างยิ่งกรรมาฐานเราต้องให้มีความสงบเย็นใจบ้างคลับลงไป จ, จิตใจอย่าถอยกิเลสมันรุนแรงมากนะรุนแรงแต่ไหนแต่ไรมามันไม่เคยอ่อนตัวาสติปัญญาศสตาของเพียรเราไม่เข้มแข็งให้ทันกันแล้วยังไงก็ จะไม่ได้ชมเรื่องความสงบนะความวุ่นวายคือเรื่องของกิเลสทั้งนั้นย่ำยี่ตีแหล่ภายในหัวใจตลอดเวลาพอจะกําหนด จ, จิตเข้ามาภาวนานถูกมันตีหงายแล้วหงายแล้วใครจรึงไม่อยากมองดูหัวใจเจ้าของเพราถูกกิเลสตีเอาตีเอาทีนที้เมื่อเป็นเชนนั้นความสงบจะมาจากไหนมันต้องฟัดกัให้เต็มอย่างสิฮึมมันฟุงซ่านที่ตรงไหนถือความฟุงซ่านเป็นสนามรอบใส่กันลงไปจุดนั้น ส ต, ติสตังความภาคความเพียรมีเท่าไให้ทุนไปตรงนั้นมันจะอยากคิดเอาเรื่องนอกเรืวนาขนาดไหนความอยากขนาดไหนความเข้มแข็งที่จะบังคับความอยามยิ่งหนักเข้าหนักเข้านี่วิธีการชําระกิเลสเป็นอย่างนั้นจะอ่อนไม่ได้กิเลสหนักเราต้องหนักกิเลสเบาเาท่าไรเท่ามันจะรู้เองวิธีปฏิบัติต่อกันเรื่องกิเลสหนักเนี่ยต้องเอาหนักให้เด่นทีเดียวเป็นก็เป็นตายก็ตายฟาดกันเต็มเหนี่ยวเลย มีปฏิบัติมาจากนั้นจึงแนะนํานมาสั่งสอนหมู่เพื่อนผมเคยพูดแล้วว่าในชีวิตของผมนี่ไม่มีอะไรเป็นเครื่องหมายเรื่องความทุกข์ความทรมานที่สุดยิ่งกว่าการฆ่ากิเลสนี่หนักมากที่สุดทีเดียวจจึงได้มาพูดแบบว่าไม่ลืมเลยความทุกข์ในเนี่ยตื่นนอนขึ้นมานี่จ่อแล้วจิตกับที่กับสติจ่อกันแล้วจ่อกันแล้วตลอดเวลาจนกระทั่งหลับจนกระทั่งหลับเพราะฉะนั้นจึงต้องไปคนเดียว ไปกนเดียวเดินไปไหนก็เดินจงกรมไปเที่ยวไปจากหมู่บ้านนี้ไปสู่บ้านนั้นก็เดินจนงกรมไปตามทางตลอดเวลาอยู่ที่ไหนเป็นความเพียรตลอดนี่แหละวิธีฆ่ากิเลสฆ่าอย่างนี้ลนะ่ะไม่ได้เลอได้เลอไปไหนล่ะอือ่อนตัวไม่ได้อ่อนข้อไม่ได้ต้องหนักตลอดเวลาเดินไปจากบ้านจากบ้านไหนไปบ้านไหนมีแตความเพียรอยู่ลําพังก็มีแต่ความเพียรเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นนี่แหละฆ่ากิเลสฆ่ายากไหมพี่นาสี เอาขนาดหนักหนักไปเป็นวักเป็นตอนเวลาก่เหลสจับยบับนักหนั ก, น ก, นกพุ่งส่านลำคาญมากคึกขนองมากนี่ต้องเอากันอย่างหนักทั้งโอดข้าวโอดน้ําโอดข้าวนี่ดีอย่างหนึ่งเป็นเครื่องเป็นเครื่องหนุนการจิตตภาวนาได้ดีนิสัยส่วนมากมักจะเป็นได้อย่างนั้นเพราะนิสัยเราท่านท่านนี่เป็นกําลังวัยในความคึกความขนองเกี่ยวกับราคาตันหาจึงต้องได้ผ่อนอาหารให้เบาลงเบาลง กำลังของกายซึ่งเป็นเครื่องมือของกิเลสตัณหามันค่อยๆเบาลงกำลังไม่รุนแรงทีนี้ทางด้านจิตตบภาวนาก็ค่อยเร่นตัวเล่งตัวขึ้นไปได้พอได้สติสตางบ้างเนี่ยการฝึกทรมานเรื่องร่างกายนี้สาคัญมากนะมีกําลังมากเท่าไรยิ่งเสริมกิเลสความฟุง้งซ่านลาคาญ ร, ราคะตัณหามากขึ้นโดยลําดับลําดับเห็นชัดๆเจ้าของเป็นผู้ค่ากิเลสเองจึงต้องได้ฝึกทรมานหลายแบบหลายฉบับ เป็นเรื่องนิสยัยของตัวเองหาวิธีการฝึกตัวเองสุดท้ายก็มาได้ที่การอดอาหารไม่ได้สติสตังเลยน้ําตาไหลน้ําตาล่วงสู้กิเลสไม่ได้อยู่ในป่าในเขาคนเดียวไม่ได้ลืมลีจากครูบ า, าจารย์เพื่อไปออกไปเพื่อจะบําเพ็ญฟัดกับกิเลสให้เต็มเหนี่ยวไปสุดท้ายก็สู้ก็เป็นเรื่องของกิเลสฟัดเราอย่างเต็มเหนี่ยวอยู่ไม่ได้ต้องวิ่งมาหากรูบ า, าจารย์ พขาวิ่งมาหาครูบาอาจารย์แล้วกิเลสตัวชนิดฟัดเหล่าฟัดเหล่ามันก็้าสงบตัวลงไปเพราะอยู่ในร่มผูร่มไสของครูบาอาจารย์ยก็สงบโยมก็สร้างตั้งตัวได้ด้วยสมาธินี่พอตั้งตัวได้แล้วอยู่คนเดียวก็ได้ทีนี้ความฟุ้งซ่านวุ่นวายเพรากิเลสมันผลักดันออกไปนี่สงบตัวลงไปสงบตัวลงไปรูปเสียงกลิ่นรถเครื่องสัมผัสไม่ไม่มาขวนเพราะตัวนี้ไม่ออกไปยุ่งตัวนี้เองไม่ใช่สิ่ ง, งนั้นมาขวนนะตัวนี้ออกไปกวนไปกว้านเข้ามา เพราะเราเมื่อจิตมีความสงบแล้วสิ่งเหล่า น, นี้เบาลงเบาลงสุดท้ายสิ่งเหล่า น, นี้เหมือนไม่มีเลยก็มีแต่ความรู้ล้วนเป็นสมาธิเต็มภูมิเมื่อขั้นสมาธิเต็มภูมิแล้วสิ่งเหล่า น, นี้เหมือนไม่มีนะจะมันจะยีวีแวบๆบ้างมันก็ให้เราทราบมันก็สร้งางระงับไปไม่พอมาถึงกับเรื่องว่ากวนใจเราเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนมันกวนจริงๆมันบีบมันบังคับจริงๆจนกระทั่งน้ําตาล่วง นี่แหละพอจิตมีสมาธิแล้วก็มีเรือนอยู่ของใจสบายอยู่คนเดียวก็สบายสบายจากนั้นก็กล้าเข้าสู่ทางด้านปัญญานี่นี่ก็เป็นทุกข์อันหนึ่งทุกข์ในขั้นที่ทาจิตให้สงบนี่ทุกข์แทบเป็นแทบตายจริงๆเอากันอย่างหนักทรมารร่างกายกับใจนี่พอๆกันเอาให้หนักทีเดียวไม่หนักไม่ได้นะอืมกัน ทำความภาความเพียรนี้หนักทุกด้านไม่ว่าจะเดินจงกรมไม่ว่าจะนั้งสมาิภาวนาหนักทุกด้านเลยเดียวจิตก็หนักพอจิตพราะบังคับสติบังคับจิตไม่ให้เคลื่อนย้ายไปไหนให้อยู่ในจุดเดียวจุดเดียวที่เราต้องการเท่า น, นั้นเป็นความเพียรไปตลอดดูดูที่มันหนาแน่นมา่อี้เลยถึงขนาดนั้นมันถึงพอสงบได้พอสงบได้แล้วก็ได้กําลังก็ทีนี้ความเพียรก็เร่งหนักเข้าไปหนักเข้าไปจนกระทั่งจิตเป็นสมาธิเต็มภูมิ พูดไม่สงสัยนี่พูดด้วยความเป็นในจิตเต็มภูมิแล้วเหมือนน้าเต็มแก้วในขั้นนี้จะให้เป็นสมาธิยิ่งกว่านั้นไม่มีมีแต่แนว่วแนวอยากนั่งสมาภาวนาทั้งวันทั้งคืนคือจิตเข้าไปอยู่นั้นแล้วไม่มีอารมณ์อะไรกวนใจเลยลืมตออาออกมาภายนอกจิตถอยว่าสายนูนเสียงกิ่นลดมองเห็นรูปได้ยินเสียงอะไรกวนใจไม่ถึงก็ว่าจะยินดีกับสิ่งนั้นถิงนี้แหละ พอแยบออกไปคิดออกไปแยบออกไปคิดเรื่องนั้นอนี้มันกวนใจแล้วอยู่ในภายในไม่กวนความคิดความปรุงนิ่งหายเงียบไปเลยแน่วอยู่ตั้งแต่ความสุขความสงบเย็นใจมีความผ่องใสเป็นพื้นฐานอยู่ในสมาธิขั้นนั้นนี่มีเท่านั้นไม่ไม่เลยนั่นนี่เป็นสมาธิมาได้ห้าปีจึเงเคยพูดให้บุเพื่อนฟังแนวขนาดนั้นแหละเพราะฉะนั้นจึงกล้าพูดได้ว่าชํานาญมากเรื่องสมาธิใครจะมาโกหกได้ยากนะ พอถอยจาก น, นั้นแล้วก็ก้าวเข้าทางด้านปัญญานี่หมายถึงเป็นสมาจิตเป็นสมาธิแล้วมีความผาสุเกเย็นใจอันหนึ่งไม่ค่อยมีอะไรกวนสบายนอนใจได้อันหนึ่งจนติดสมาธิพอก้าวออจากสมาธินี่รับงานและทีนี่นี่งานก้าวจากสมาธิเข้าสู่ปัญญานี่เลวงานลือถอนกิเลสงานสมาธิเป็นงานตีต้อนกิเลสเข้าสู่ความสงบไม่กวนใจ ข้อเก้าทางด้านปัญญาที่นี่ลือถอนกิเลสออกเรื่อยเรื่อยปัญญาขั้นนี้ออกแล้วเอาละที่เห็นนะเรื่องความเพียร น, นี่หมุนตีวไปเลยไม่มียับยั้งไม่มีกลางวันกลางคืนนอนไม่หลับนอนทั้งคืนไม่หลับจกนกระทั่งตลอดรุ่งวันหลังกลางวันอีกนอนอีกไม่หลับกลางคืนอีกยังไม่หลับนั่นดูที่เวลามันซัดกันระหว่างกิเลสกับธรรมนี่แหละธรรมมีกําลังแล้วตามต้อนกิเลสไล่ฆ่ากิเลส มุนติ่วติ่วติ่วจนถึงขั้นเรียกว่าเลยภาวนามยปัญญาไปแล้วขั้นมหาสติมหาปัญญานี่เป็นน้ําซับน้ําซึมน้ําซับน้ําซึมไหลลินข้างแรงทั้งฝนยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนก็ตามถ้าไมหลับอันนี้ทํางานตลอดเวลานี่งานลื้อถกิเลสของธรรมที่มีกํลาลังกล้าแล้วเป็นอัตโนมัติเหมือนกันกันกบิเลสเป็นอัตโนมัติหมุนหัวใจสัตว์กิเลสเป็นอัตโนมัติหมุนหัวใจสัตว์นี่มันหมุนตลอดเวลาของมัน ียกว่าอัตโนมัติของกิเลสสร้างวัฏจักรเข้าขึ้ น, ข น, ขนเข้าใส่หัวใจสัตว์โลกทีนี้พอถึงขั้นทํามีกําลังแล้วทําก็คลี่คลายกับตลปัดกันหมุนกับหมุนกับพอถึงขั้นหมุนกลับแล้วหมุนตลอดทีนี้กิเลสมันยังมีมากมีน้อยหมุนแรงกิเลสมีมา ก, มมากหมุนแรงกิเลสเบา ล, ลงไปหมุนตามกับราศของกิเลสฟาดกันไปจนกระทั่งถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาแล้วซึมไปหมดเลยอืม ความเรียดเร็วของสติปัญญาขั้นนี้น่าไม่เป็นกรรเจ้าของไม่รู้เราจะพูดให้ใครฟังไม่ได้น้านตำรับตารานั้นไม่มีแสดงเอาไว้เลยแต่ในความจริงนี้รู้เป็นอย่างนั้นผพวันนี้เอาเพราะฉะนั้นผ พ, พูดที่ว่าจังตรัสทะลุความจริงคือตรัดทะลที่หัวใจคัมภี์ใบล้านบอกไว้ทัานอยู่เพิ่นเพินไกลๆห่างหาโน้นชี้บอกมาชี้บอกมาให้เข้าจุดนั้นจุดนั้นจุดนั้นเท่ทานั้นเองพอเข้าจุดนั้นแล้วเป็นหน้าที่ของเจ้าของจะทำหน้าจะทํางาน ฟาดกับกิเลสฆ่ากิเลสหรือว่านักมวยก็ครูเป็นแต่เพียงผู้บอกพอขึ้นเก้าคุณจูเวทีแล้วครูไม่มีทางบอกได้เลยอันนี้พอเก้าวเข้าสู่กิจตภาวนาล้ว น, นแล้วเป็นดังนั้นตั้งแต่ภาวนามายะปัญญาไปไม่ต้องมารับอะไรใครก็ตามไม่มีอะไรมาสัมบัติก็ตามสติปัญญาขั้นนี้ฮะหุนตัวไปเองเพื่อแก้แก้กิเลสไปโดยลําดับกิเลสขั้นนี้ แก้กันอย่างนี้กิเลสคันนี้แก้กันนี้หากมีพริกมีแพลียเปลี่ยนแปลงแก้ไขกันตลอดไปโดยไม่ต้องภิจาราจากใครละนี่เรียกว่าปัญญาเกิดขึ้นจากความจริงของผู้ปฏิบัติเรียกว่าภาคปฏิบัติภาคปริญัติรูปแถวแนวของการดําเนินแล้วพอเข้าภาคปฏิบัติเป็นภาคที่ว่าอัตหิอัตโนาโธสติตัวเองนั่นแลปัญญาตัวเองแหละที่จะแก้กิเลสซึ่มีอยู่ในหัวใจของตัวเองโดยสายเดียวนั้น หนักเข้าหนักเข้ากิเลสหนักเบาขนาดไหนมาทั้งรู้พอความพอเหมาะพอดีกันระหว่างกิเลสกับธรรมแก้กันแก้กันไปโดยลำดับจนกระทั่งขั้นสืมทราบเมื่อถึงขั้นสืมทราบเราจะรู้ได้ว่ากิเลสนี้หมดทั้งตัวนี้มีกิเลสทั้งหมดแทรกอยู่หมดทุกแง่ทุกมุมทุกขุมขนทุกเนื้อทุกหนังไม่มีอะไรที่กิเลสจะไม่ถือสิทธิ์มีหมดนี่แหละสติปัญญาขั้นมหาสติปัญญามหาปัญญาเนี่ยซากฟอกตรงนี้เหมือนกับไฟได้ชื้อไฟละเอียดขนาดไหน เชื่อละเอียดขนาดไหนไฟเชื่อนหมายถึงกิเลสกิเลสหยาบเชื่อก็หยาบสแสดงปเปลวเต็มที่เต็มที่มันเผากันเผากันพอถึงขั้นปัญญาที่ละเอียดถึงขั้นละเอียดละเอียดลงไปสติปัญญาขั้นนี้ก็เป็นเหมือนไฟได้เชื่ออยู่เหมือนกันเผากันไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงขั้นซึมทราบซึมทราบเป็นเองทั้งนั้นนะ ไม่ใช่เราจะมาเรียนมาศึกษากับใครเป็นหลักธรรมาชาติที่ตัวเองต้องช่วยตัวเองด้วยสติปัญญาของตัวเองไม่ต้องไปศึกษากับใครหากเป็นไปเองพอเหมาะพอดีพอเหมาะพอดีกันซึมซาบกันไปเรื่อยจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือนั้นถอนเขาอานั่นเข้ามาสู่หัวใจดวงเดียวนี่เรียกว่วิชาหมดแล้วที่มันกระจายไปทั่วสกลลกายของเรามีแต่บริษัทบริวาลแขนงของวิชาทั้งนั้นมันซึมซาบไปหมดนี่แขนงของวิชา เวลาไล่ต้อนเข้ามาไล่ต้อนเข้ามาแล้วก็มาร้วอยู่จุดเดียวคือคือจิตตวิชานั่นมันเห็นชัดๆอย่างนั้นนะผู้ปฏิบัติไม่งั้นแก้ไม่ได้แก้แกเลยไม่ต้องไปถามใครตรงไหนรู้เองรู้เองสันติโกรประกาศไปตลอดเวลาจนกระทั่งถึงวาสุดท้ายฟาดวิชาพังลงกระจายลงไปแล้วสันติโกเอกท่านเอกเต็มเหนียวพังึ้นแล้วจะไปทูลถามผู้เจ้าหาอะไรนั่นของอันเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันแล้วจะไปถามท่านหาอะไร สันติโก้สั่นประกาศกลางวานไว้แล้วที่หัวใจของเราตั้งแต่บันปฏิบัติเป็นขั้นขั้น ข, นของสันติโกโจกตั้งถือว่าล่สุดท้ายสันติโกสุดยอดก็ประกาศป้างขึ้นมาหั่นเป็นอย่างนั้นนะการปฏิบัตินี่แหละมรรคผลนิพพานสดสดร้อนร้อนอยู่อย่างนี้จะให้ทํำยังไงอีกมกรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนไปหากันที่ไหนดูที่หัวใจกิเลสอยู่ตรงไหนนั่นละ่ะมรรคผลนิพพานอยู่ตรงนั้นเหมือนกับสระน้ําใหญ่ กินเต็มไปด้วยน้ําแต่เวลานี้ถูกจอกถูกแหนมันปกคลุมห่อไว้หมดไม่มองเห็นน้ําเลยพวกตาบอดหูหนวกไม่ได้คลี่คลายเปิดดูน้ําเปิดแหนเปิดจอกเปิดแหนจากน้ําไม่ดูมันก็ไม่รู้ว่าน้ํามีอยู่ในนั้นมันก็ว่ากาศว่ามรรคผลนิพพานไม่มีสุดท้ายกลายเป็นคนทั่งบับุญไม่มีบาปไม่มีนรกสวัสดิ์ไม่มีไปหมดกิเลสมันเห็นไหมมันลากไปอย่างนั้นนี่แหละกิเลสเป็นคู่แข่งของธรรมมันสวมลอยตลอดเวลานะ เราจะเห็นได้รู้ได้เวลาทําละเอียดเข้าไปนี่จะเห็นกิเลสส่วนลอยขนาดไหนตามกันทันหมดทันหมดตอนนัเมื่อฆ่ากิเลสมันแหลกไปหมดแล้วอะไรจะมาปิดจอกแหนเปิดขึ้นหมดแล้วน้ําใสสะอาดขนาดไหนมันก็เห็นจะชัดอยู่ใต้จอกใต้แหน่นั่นแหละเดี๋ยวอยู่ที่ไหนน้ํากับจอกกับแหนอยู่ติดกัน น, นั่นนี่กิเลสกับธรรมก็อยู่ติดกันในใจดวงเดียวกันนั้นเมื่อเปิดออกเปิดดรอปก็ออกกะจ่างแจ้งขึ้นมาทานีนี่ไม่ต้องถามใครเนี่ย จ้าขึ้นมาภายในจิตใจนี่สิ่งไม่เคยรู้รู้สิ่งที่ไม่เคยเห็นคืเห็นไปหมดเพราะกิเลสปิดประนั้นที่มองไม่ให้เห็นนี่นะพอเปิดกิเลสแล้วสิ่งมีรู้อยูอย่างไรมันจะไม่เห็นได้ยังไงเนี่ยพระพุทธเจ้าที่ว่าโลกวิถูโลกวิถูของพระเจ้าเป็นทับท้บพุทธวิสัยโลกวิถูของสา ว, วกก็เป็นตามวิสัยของสา ว, วกต้องรู้อย่างนั้นเหมือนกันเป็นเพียงว่ากว้างแคบต่างกันเท่านั้นแต่ความรู้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างเดียวกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นท่านถึงไม่ทูลถามพระพุทธเจ้า บรรดาสาวองคัตรู้เป็นอันเดียวกันหมดคําว่าจัตรู้นี่คือถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์กิตอันนี้เป็นเสมอกันหมดไม่มีใครยิ่งย่อนต่อใครธรรมชาตินี่นี่แหละพระพุทธเจ้ารู้จะรู้งานพระอรหันท่านรู้ ก, ก็รู้อย่างนั้นส่วนปีนย่อที่จะรู้จะเห็นตามนิสัยวาสนาของตนนั้นเป็นไปตามแง่ตามทางตามอุปาณิสัยของของแต่ละหลายห ล, ลายที่จะรู้กว้างแคบดึกตื้นหนาบางขนาดไหนเป็นไปได้ด้วยมีอยู่ปัจจุบันนี้ก็มีอยู่อย่างนั้น ของจริงมีอยู่เป็นเป็นปัจจุบันมาตลอดแล้วธรรมก็มีเป็นปัจจุบันมาตลอดเมื่อนํามาแก้กันแล้วมาสิ่งที่ควรรู้จะไม่รู้ได้ยังไงมันต้องรู้มันต้องเห็นกระจายไปหมดนั่นแหละนอกจากจะนํามาพูดหรือไม่พูดเท่านั้นสมควรที่เป็นประโยชน์มากน้อยเพียงไรสร้างก็พูดไม่สมควรจะกระพูดก็ปล่อยไว้เสียปล่อยไว้เสียเพราะไม่เกิดประโยชน์เอามาพูดอะไรทำมาเพื่อประโยชน์เท่านั้นอยู่ใน ฐานะของใครที่จะรับได้มากน้อยเพียงไรก็แสดงไปตามนั้นเมื่อไม่ใช่ฐานะที่จะรับได้แล้วก็หมือไม่มีในหัวใจทันนั่นและการปฏิบัตินี้หลผลของการปฏิบัติทำเป็นอย่างนี้ขออย่าไปคิดคาดด้นคาดนี้เมืองอินโดอินเดียสมัยนั้นสมัยนี้ปีนั้นปีนี้นนมันเป็นมืดแจ้งต่างหามันเป็นที่นั่นที่นี่นต่างหามันไม่ใช่เป็นกิเลสไม่ใช่ทำกิเลสโดยแท้จริงทำแท้จริงอยู่ที่ใจแก้ไขกันด้วย มัชฌีมาปฏิปัตทานอย่างเดียวกันแล้วแก้กันลงที่นี่กิเลสกับพังลงที่หัวใจเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้ายังทรงบัญญัอยู่เลยลจะไปไหนพ้นรู้ก็รู้คันที่นี่จะไม่รู้ที่ไหนมนรรคนิพพานเสื่อมทรามไปที่ไหนมันเสื่อมทรามที่กิเลสเหยียบย่าทำลายเหมือนจอกแหนบปกคุมน้มาําเพราะฉะนั้นมันหนานแน่นมากจอกแหนหมาแน่นมากน้ําจึงมันจึงลบน้ําไปเลยแบบเหมือนกับว่าน้ําไม่มีในบึงในสถานีทั้งๆที่น้ํามีอยู่สมบูรณ์ นี่ก็าทั้งๆ ท, ที่ทำมีอยู่อย่างสมบูรณ์แต่กิเลสปกคุมไม่หมดไม่ให้เห็นมันก็เอาลวดลายั้งมันแสดงออกลวงโลกซินี่ลวงโลกด้าไหนหลอกประทันั้นหลอกประนั้นคือนที่ไปกิเลสหาความจริงไม่ได้มีแต่เรื่องหลอกลวงทั้งหมดไม่ตั้งแต่ส่วนหยาบถึงละเอียดสุดมีแต่กลหลอกลวงของกิเลสทั้งหมดนี่เรียกว่าค่าสึกของธรรมทำจริงไปหมดตั้งแต่ส่วนหยาบส่วนกลางขั้นละเอียดจริงไปหมดตลอดสายเลยนี่เรียกว่าธรรมนี่เป็นคู่แข่งกันมา เพราะฉะนั้นทำกับโลกจึงแยกกันไม่ได้ต้องมีเป็นคู่เคียงคอยคัดค้านต้านทานคอยชะคอยล้างกันโดยลําดับลาดาปฏิจจาวมาได้ทำนี้ต้องหมายถึงว่าผู้ศรู้จริงจริงอย่างศาสนาองค์เอกนํามาสอนโลกแต่จรูนี่หลักตาจะรู้ทำประเภทนี้แหละมาสอนโลกอศาสนาอะไรแล้วมาพูดศาสนาคนมีกิเลสหลบดํากรำขาวไปอย่างงั้นแหละอืม คิดเห็นยังไงก็ว่าไปตามนั้นความมีกิเลสมันต้องมีความหลอกลวงมันหนาขนาดไหนกิเลสเราจะรู้หรือว่าตั้งตัวเป็นลัตทีเป็นศาสดราศาสดาขึ้นมาก็ได้นี่กิเลสมันงอน้อยเมื่อไหร่กิเลสมันจะไปอ่อนข้อเมื่อไหร่มันต้องยกตัวเสมอๆแค่ทันแล้วไม่ยกเดี๋ยวจะไม่มีเหลือแล้วนเวลานี้ศาสนาเราค่อยขุดด้วนเข้ามาขุดด้วนเข้ามาเฉพาะอย่างยิ่งวงกรรมฐานค่อยถูด้วนเข้ามา ตอไปนี้มันก็จะเริ่มแล้วนะเด่นนี่น ะ, ะเทวทัศน์โทรทัศน์กำลังเริ่มแล้วนะผมปรากฏแล้วว่าอยู่ในวัดใดบ้างเนี่ยเห็นแล้วนะผิดไหมพูดนีนี่ราค่าสื่อใหญ่ของศาสนาได้มาตั้งแต่นั่งสื้อพิมพ์วิทยุนั่นแหละคือค่าสื่อของศาสนาพระพุทธเจ้าหาข่าวที่ไหนบวชแล้วไล่พระเข้าไปอยู่ในป่าในะเขาเพื่อปราศจากอารมณ์กอกวนเหล่านี้แล้วไปกวนหามาอะไรเนี่ยเห็นไหมค่าสื่อของศาสนา เริ่มตั้งแต่นันงติพิมพ์วิทยุแล้วก็เทวทัศน์วิดีโอจากนั่นก็โทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือนี่ร้ายแรงมากแล้วสิ่งเหล่านี้ร้ายแรงมาเป็นลําดับเป็นเครื่องหนุนกันมาเป็นลระดับจกนกระทั่งถึงขั้นสุดยอดคือโทรศัพท์มือถือเหมืนมันจะคุยกับใครก็ได้นัดกันไปที่ไหนก็ได้ตัวนี้เอาให้ถึงที่สุดได้เลยต่อไปนี้มันจะเต็มย่ามของพระนะอืแล้วเทวทัศน์เนี่ยเหมือนกันเวลานี้เทวทัศน์กระเป๋ามีแล้วนะ มันไปไหนเทเ ว, วทัศน์นั้นติดย่ามติดย่ามไปเลยนี่เก่งไหมกิเลสมันเข้าในกระเป๋าพระนี่พระมาแฝนคอไปแล้วเดือนเนี่ยมันเก่งไหมพระหน้าด้านอย่างพวกเรา เ, ราเราท่านท น, นี่มันเป็นได้เราไม่สงสัยนี่ละสักิเลสเหยียบทำเหยียบแบบนี้ทําลายทำทำลายศาสนาทําลายพระเนรทำลายอย่างนี้เองถ้ายังไม่เคยได้ยินฟังสี่ให้เต็มใจให้เต็มหูวันนี้นี่เราให้รู้เสีย ถ้าใครหน้าด้านไปหามาสําหรับวันนี้สิ่งอันนี้เข้ามาเกี่ยวข้องใครเป็นผู้ไปนสนใจสิ่งอันนี้มาไล่จากวัดเลยไม่ให้หนีไม่ให้อยู่ไม่ค้างคืนด้วยนะค่าศึกมากที่สุดนี่เป็นพระหน้าด้านมากที่สุดมาสมควรที่จะมาเข้าค้าเข้ากันหรือกับเพาะที่ดีที่มุ่งหาอนัตธรรมอยู่พวกนี้พวกโสกโปกภาคที่สุดนี่พวกเนี้ยจอมโสกโปกจอมทําลายศาสนาคือพวกนี้จึงไล่องหมดจากวัดนีไม่ให้มีใครมาจะกก็ตา ถ้าเป็นพวกนี้แล้วไล่ทันทีขอให้ทราบเป็นเอาไว้ไม่ได้เนื้อร้ายจะทำจนใหญ่ให้เสียไปหมดต้องรีบตัดออกตัดออกพวกเนื้อร้ายพวกเนี่ยทำลายส่วนใหญ่ได้สาลายส่วนใหญ่ได้เอาครานี้ละไม่จะพูดอะไรมากพอพูดไปก็รู้สึกเหนื่อยเหน่อยเออเอาละพอ